การบอกคื่อนสิขาด้วยการใช้คําแสดงความห่วงใย9บท48วงเล็บ1อีกประการหนึ่งภิกษุกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อนายรังเกยียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นเครือขัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระศักยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาพระเจ้ามีมารดาที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บ2บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาพระเจ้ามีบิดาที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บ3ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้ามีพี่ชายน้องชายที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บสี่ภิกษุบอกให้ผู้อนรู้ว่าข้าพเจ้ามีพี่สาวน้องสาวที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บห้าภิกษุบอกให้ผู้อนรู้ว่าข้าพเจ้ามีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บหภิกษุบอกให้ผู้อนรู้ว่าข้าพเจ้ามีธิดาที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บ7ภิกษุบอกให้ผู้อนรู้ว่าข้าพเจ้ามีภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูวงเล็บ8ภิกษุบอกให้ผู้อนรู้ว่าข้าพเจ้ามีหมู่ญาติที่ต้องเลี้ยงดู วงเล็บเก้าภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีหมู่มิตรที่ต้องเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกเคิืนสิ้า